พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายอมรับด้วยเหตุผลวันนี้เป็นวันที่31อ สิงหาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำวันพุ่งนี้พุ่งนี้เป็นวันแรม14ค่ำวันเดือนเก้าดับนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นวันสำคัญยิ่งยิ่งทางอีสานเหนืออีสานพวกเราเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ บรรพชนหรือว่าปู่ย่าตายายของเราที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้วันพรุ่งนี้ฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้ลงอุโบสถแต่เช้าเนะเตือนกันนะบอกกันให้ทั่วถึงสีตีตีสครึ่งให้มาพร้อมกันที่สาลาอย่าให้ขาดตกบกพ้่องให้จัดกันเป็นทีมดูนานๆทีพวกเราจะได้มาลงอุโบสถบางทีอาจจะหลงลืมก็ได้ คนนั้นให้บอกกล่าวกันเพราะมันไม่ใช่หลงอุโบสถเพราะว่าหลวงพ่อเองวันพรุ่งนี้ก็บินถบาตชันเช้าเสร็จแล้วก็คงจะได้เดินทางลงไปกรุงเทพนะก็มีทุระพวกเป็ น, เ ป, นเป็นพ่ อ, พ, อพวกคุบาล น, น่นหละผลลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยเซ่อเมันไม่ได้ดูว่าวันไหนเป็นวันไหน บอกให้หลวงดูให้ดีนะเนี่ยเนี่ยได้ลูกน้องเซอร์มันเป็นอย่างนี้แล้วลูกลานได้จะเป็นหัวหน้าเก่งขนาดไหนก็เถอะทานได้ลูกน้องเซอร์แล้วมันเสียหายลูกน้องเนี่ยสำคัญนะลูกทีมเนี่ยอข่าวนี้ก็เหมือนกันนะเอีบอกว่าวันวันไหนวันไหนเป็นวันไหน <c oughs> พวกเรา ผู้ที่ดูตรวจตราดูวันที่ก็ต้องดูให้ละเอียดเป็นวันสำคัญหรือเป็นวันอะไรวันพระหรือวันอุโบสถมันใกล้กันไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องดูผู้ที่อยู่ใกล้เราเบียงแต่ว่าดูดูใกล้ๆวันอาจจงค่อยมัวเมียมาบอกว่ามันเป็นวันนั้นวันนี้แล้วจะไปปรับปรุงได้ยังไงจะไปถอยได้ยังไง ตามไม่จริงเราให้มาตั้งนมนานมันน่าจะดูว่าวันไหนเป็นวันไหนมันใกล้วันเสาร์อาทิตย์ไหมวันสำคัญไหมวันพระพระอะไรมันที่จะไปได้ไหมอันนี้เป็นวันสำคัญคนทั้งอีสานวันเดือนเก้าดับตามไม่จริงไม่น่าออกจากวัดเลยวันพุ่งนี้นะเพราะศรัทธาญาติโยมเข้ามาเต็มไปหมดตอนเย็น แต่จะทายังไงได้มันพูดไปแล้วมันต้องได้ลงไปถ้าทางนู้นเขาก็เตรียมพร้อมเสียหายทางนู้นอีกนี่แหละมันเสียหายมันเป็นต่อเนื่องนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนประจานลูกน้องของตัวเองนะั่นแะแต่ตามไม่จริงมันน่าจะประจานนะเพราะมันโง่จะว่าฉลาดได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นต่อไปให้ระวังนะอย่าให้มันอย่ามีอย่างนี้อีกนะ แล้วก็วันพงเน้นะลงต้องลงโุบสถแต่เช้าอีกต่างหากพระหลวงพอ่อไม่ได้อยู่ตอนบ่ายแค่น่ะก็เป็นวันโบสถของพระด้วยเป็นวันพระด้วยเป็นวันสำคัญทางอี ส, สานเหนือด้วยนะมันหลายด้วยนะเพราะนั้นให้พวกพระพร้อมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็บอกกล่าวทั้งชาวบ้านเขาด้วยว่าวันพงเนี้เราจะบินทาบาน ในวัดวันเดือนดับเดือน10เพผ่นวันเดือน9้าดับเดือน10เพผ่นเราจะบินธบาตในวัดทุกปีเหมือนทุกปีนะบอกผู้ใหญ่บ้านส่งไปตามสายหลวงพ่อครูบาจารย์จะไม่ได้บินธบาตในบ้านเน้อผู้ใดจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้สุดแท้แต่นะอันนี้เขาควรจะบอกกล่าวไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยโดยที่ไม่บอกกล่าวมันก็ไม่ถูก เพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ต้องบอกกล่าว <c oughs> ให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันเดือนเข้าประดับดินแต่เมื่อวานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าฝนตกมาน้ำไหลในสระน้ำหลวงพ่อให้พระไปดูพอไปดูโอ้ พอพระมาพ่อมาพูดให้ฟังหลวงพ่อก็สลดใจเหมือนกันนะเต่าตัวบากใหญ่แบบนั้นมันมุดเข้าไปในในท่อท่อมันเกือบปเลยท่อมันสี่สิบห้ามันเข้าไปแล้วสี่สิบห้าแล้วสี่สิบมันเข้าไปแล้วมันมันเต็มกระดองมันกระดองมันไปอัดอในท่อมันขวาขามันก็ มันไม่มีกำลังใช่ไหมล่ะมันเข้าไปในท่อกลมๆไงมันก็ควัดไปควัดมาผลในที่สุดมันก็เลยตายตายในท่อเออเต่าใหญ่ตัวบักใหญ่ทำไมมันขี้เกียจเนี่ยมันทำไมไปหามดลูมันคงจะอยากไปทางลัดมั้คือบางคนน่ยทำอะไรอยากจะไปทางลัดเหมือนกับเต่าตัวนั้นน่ะมันอยากจะไปทางลัดถ้ามันเดินขึ้นมาทางหลังสะเดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเอง ก็ลงไปในน้าก็ได้อันนี้มันจะไปทางรัดมดุดแล้วก็ไปในลูท่อน้ำเข้าไปกระดองมันก็ไปติดใช่ไหอติดมันก็ขามก็ไม่ถึงพื้นใช่ไหมล่ะมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาฝนสู่ก็ไปตายในท่อนในท่อน้ำเพราะในเวลาฝนตกมาขี่ใบไม้อะไรขี่เหอะทางไหลมันก็ไปปุด <c oughs> มันก็ไปอุดลูอะไรอย่างเงี้ย่ไหล่ะ เ อ, อน้ำกันล้นทางข้างนอกเพราะว่าเต่าไปตายอยู่ข้างในเหลวงพ่อเอ๊ะทําไมมันทําไมน้ํามันจึงไม่ออกมันล้นเข้ามาข้างบนะพอพระเขาไปดูเมืนะ่อวานเต่าตายเ อ, อจนเน่าหมดแล้วหลวงพ่อเอ๊ยมันโอ้ตายนี่แหละเต่าตอนนั้นก็จะเรีว่าเต่าโง่เหมือนกันนะเต่าเสือเหมือนกันเต่าเต่า เต่ามันเชื่อมันก็คนนั่นแหละใ <c oughs> น, นวันพรุ่งนี้เอเป็นการทําบุญอุทิศสวนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานหลวงพ่อก็จะย้ําอีกเหมือนกันเพราะว่านานทีปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวพวกเราจะได้ทําบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณะวันพรุ่งนี้เอ ตักบาทเจ็จเลวร้วก็คงจะมีการกล่าวคําถวายทานอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้นิ่งดูดายที่เราอยู่เบื้องหลังได้พบพุทธศาสนาได้ทําบุญทําทานเราก็ให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทําคุณงามความดีไปแล้วนั้นอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ปีพระคุณอันดับแรก ภู้มีพระคุณของเราก็คือใครคือพ่อแม่ของเราเป็นอันดับแรกคือภู้มีพระคุณที่เราเกิดมาจนใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเรามาจากไหนมาจากพ่อแม่ในเมื่อมาได้เราได้ทําบุญจะเป็นทําบุญมากน้อยขนาดไหนคือประกอบคุณงามความดีเราก็ควรจัดอุทิศส่วนกุศลให้กับ ผู้มีพระคุณสำหรับเราคือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่นั่นแหละจากนั้นก็ทามากกว่านั้นขนาดเลยไปถึงปู่ย่าตายายถ้าจะว่าไปแล้วก็พ่อแม่ของเราบางทีก็ได้มรดกจากพ่อแม่ของท่านสืบทอดกันมาเป็นระยะระยะยาวนาน เพราะนั้นเราจะไปถือแต่พ่อแม่ของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้มรดกที่เราได้อยู่ได้กินอยู่เย็นเป็นสุขที่เราได้รับความสะดวกสบายก่อนเราได้รับจากพ่อแม่เราก็จริงแต่พ่อแม่คอรับของเราได้รับมาจากปู่ย่าเองจากนักจากทวดเองนั่นแหะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นเพราะนั้นเราผู้อยู่ได้รับมรดกได้รับความสะดวกสบาย เราก็ดำลึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้ยาวเยียดไปมัอนกันนะนะถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายถึงปู่ถึงทวดไปอีก เ, อเพื่อให้เมื่อดวงวิญญาณท่านผู้ใดก็าตามที่ติดข้องอยู่ในโลกยังไม่ได้พ้นทุกมีโอกาสที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานได้ ลูกหลานทั้งหลายก็ยินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนเหล่านั้นถ้าว่าท่านมีความทุกข์กอยู่ข อ, ขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นลูกหลานและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้มาพบเจอพบพระพุทธศาสนานะ พ, บพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าของหาได้ง่ายๆนะที่จะมาเกิดมาพบอย่างนี้พวกเราดูสิเราดูในอทุกวันนี้สื่อต่างๆที่เข า, เ อ, าออกมานะเรามองหรเราเห็นไหมคนที่ไม่มีโอกาสที่จะนับถือพระพุทธศาสนาได้นับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายแต่พวกเรา ได้มาเจอมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ใช้สติใช้ปัญญ า, าใช้ศรัทธาความเพียรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ปัญญาของเรากันกรองด้วยเหตุผลที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน เ, เราหาที่ตำหนิดได้ไหมในหลักธรรมคาสอนถ้าเมื่อเราคิดดูกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้ว ต่างตต่างก็ยอมรับกันว่าปลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเหตุเหตุผลจริงๆที่ท่านว่าสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี่ชอบจริงๆหนึ่งไม่มีสองมีเหตุผลพร้อมมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วมันมาจากเหตุถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไง มันออกไปมันหนีกันไม่ออกเหตุกับผลเพราะนั้นในหลักของพุทธะเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วนะเราก็เชื่อมั่นใจว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวาคาิธรรมตรัสไว้จริงชอบจริงๆถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามนะเว้นเสียแต่เรามัวเมียเอาตะกี้เล็ โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะข้องเราเนี่ยมันไปทางโน้นน ะ, ะมันไม่มองเหตุไม่มองผลอไม่มองความถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้มองอะไรทั้งหมดเนี่ยอมันก็มืดบอดไปเรื่อยมันก็ตาบอดชนระไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราควรจะมีสติมีปัญญามีความรอบคอบอันไหนควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรม พนัขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทัดทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อนี่มีแต่ชี้นําชี้แนะอยบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดท่านเองอแต่หลวงพ่อก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกสุเจ้าถ้าบอกสุเจ้าทําดีเออก็ดีก็อนุโมทนาแต่สุเจ้าทําไม่ดีทําชั่วหลวงพ่อก็เออจะทํำยังไงได้กรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนะี่ยอ มันยังยังไม่มียังไม่มีบร ม, ม, ม, มียังไม่มีบุญก็ใช้กรรมไปก่อนเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบรรดานกสิ์ก็ลักษณะเนี้ยแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เปรียบเทียบเราเราเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธองค์เป็นผู้เป็นตถาคตเป็นเป็นผู้ชี้หนทางเท่านั้นท่านก็ตรัสอย่างนั้น เพราะฉนั้นเราเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเราก็มีแต่ว่าเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าม า, ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอาให้เป็นหนทาง เ, าเท่านั้นอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ก็ชี้มาเป็นลําดับลําดับจนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันดับแรกก็คือเนี่ยเรายึดพระไตรสรณคมยิดผู้ดีไว้ก่อนผู้ดีคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดรู้เองโดยชอบพุทธทางรรมังคือคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสออกมาพวกเราได้ศึกษาดูแล้วยอมรับพระธรรมคาสอน8ปนสี่พันพระธรรมขันต์ตั้งแต่ เบื้องต้นท่ามกลางสูงสุดในธรรมคาสอนของพุทธะเรายอมรับรอดทำมั่งพระธรรมคําสอนของพุทธะสังขังก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เน่ได้สําเร็จพระอรหันต์ตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะจากนั้นท่านก็เรียนําพระธรรมที่ท่านได้ได้สําเร็จแล้วนะท่านได้รู้แล้วนะ่านบอาเป็นธรรม ท่านยอมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากขาธรรมจริงถูกต้องจริงท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลแล้วท่านก็นําพระธรรมออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวต่อๆกันมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายในเรื่องประวัติสังโครหรือสังฆหรือ ว, ว่าสังขังสรารนางคัตฉามินี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นมาอย่างนี้จนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาดที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงปู่จามหลวงปู่แวนที่หลวงพ่อเคยไปจำพรรษาร่วมกับองค์ท่านการล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ทัณฑปฏิบัติทีปฏิบัติชอบน้อมยอมน้อมรับ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่านออกมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนออต่อกันมาจนมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับแล้วก็น้อมรับจากครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเมื่อได้รับแล้วหลวงพ่อก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็ได้รับผลและก็การกลองไตรตองด้วยเหตุและผลแนวแถว พระธรรมคําสอนของท่านก็ลอกยอมรับอีกเ อ, อที่ท่านแนะนํามาจากนั้นหลวงพ่อก็เห็นว่า อ, อ, อการแนะนําบอกกล่าวนี่คงไม่หลงทางแน่ก็บอกกล่าวให้กับคณะสิทธิารู้สิทธิ์คณะสัตยาญาติโยมท่านหลายให้เอาไปกันกรองไต่ตองดูซีจริงไหมนี่ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็เฮ้อ ต้องใช้ปัญญาของพวกเราทั้งหลายเองนะไม่ใช่ว่ารับหลวงพ่อมารับมาแล้วก็จะเชื่อไปหมดก็ไม่ใช่ดูก่อนสาริบุตทดูก่อนสารีบุตรตถาคตพูดพูดไปนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข้าพรกข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัตินี่แหละอันนี้ให้ฟังเอาไว้พระสง์ื้อฮากันใช่ไหโอ้โหภาษาลิบุตรหัวแข็ง ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสบอกขนาดนี้ยังไม่เชื่อเออแสดงว่าท่านลงตนอย่างมากลงลืมลืมตัวอย่างมากพระพุโตรองบอกว่าดูก่อนสงยาพึ่งเดี๋ยวจะถามเราจะถามให้ฟังอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระองค์จึงจะนํามากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังนี่แหละสงทั้งหลายต้งฟังเอาไว้ ฟังสิ่งไหนมาก็ตามจากาเพิ่งเชื่อให้นำไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรแล้วจึงค่อยยอมยอมน้อมรับในหลักเหตุผลนั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกลูกห ล, ลานทุกคนนะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าแล้วออจะว่าหัวแข็งก็ใช่จะว่าหัวอ่อนก็ใช่ แต่ต้องเป็นผู้มีเหตุผลสรุปแล้วสอนให้มียอมรับในหลักเหตุผลถ้ามันมีเหตุผลแล้วอย่าไปหัวชนฝาต้องน้อมรับในเรื่องนั้นๆมันเป็นยังไงจริงยังไงเท็จยังไงต้องเอามากันกลองได้หลายด้านหลายหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอย่างมิจฉาเนื่องซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมวงหลวงตาในท่านปฏิบัติ กับองค์ท่านอย่างไงเห็นไหมเนี่ยรูปภาพก็นั่งขนาดหัวไม่โป้งขาดนั่งคุกเข่านะแต่ต้องยกต้องยกหัวเข่าขึ้นข้างหนึ่งคงจะยกเขาซ้ายมั้งเนี่ยอ่งเขาเนี่ยนะท่านจุดใจยังดูตัวหน้านะมีท่านก็ยังหยิบอาหารเข้าบาตรขนาดหัวเข่า หัวไม่โป้งขาดท่านก็ยังฉันใด้บาดเห็นไหมบาดอยู่ต่อหน้าของท่านนี่แหละพระลูกพาหลานทั้งหลาย เ, เปาะแปลไปโยนบาด ท, ทิ้งเลยขี้เกียจปินทวาบาดอกีกไม่ฉันได้บาดอกีกมันไม่ใช่แนวปฏิปทาของหลวงตานะเห็นไหมขนาดหลวงตายุขนาดไหนดูสิเกกว่าปีหัวไม่โป้งขาดป่วยนะหัวไม่เท้าขาดแล้วก็ยังยก เข่าขึ้นข้างหนึ่งที่มันที่มันนั่งพับเพียบไม่ได้บาที่ยัง ย, ยังอยู่ต่อหน้าของท่านเอีกท่านจุดใจกําลังจูงต่อหน้ากําลังจิบผลไม้ในถาดใส่บาทของท่านนี่แหละตัวอย่างของลูกศิษย์ลูกหาเนี่แหละปฏิปทาไม่ใช่ว่าคำํำสองคําก็ปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคืออะไรไปที่ไหนฉันชดจอนโกกากโกโกากอย่างนั้นใช่ไหม ทิ้งบาดอย่างนั้นใช่ไหมไม่บินทบาดใช่ไหมขี่เกียรบินทบาทอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ปฏิปทาของหลวงตาเนี่ปฏิปทาของหลวงตาให้ดูเอาไว้นะดูรันนะนี่ยแหละยึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์ไม่ใช่ว่ายึดดักจึดพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่เอาพระไตรปิฎกไปขังเอาไปไว้ในตู้นะ อ, อย่างดีปักกวาดอย่างดีไม่ใช่ต้องนําพระไตรปิฎกมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่ยึดปฏิปทาแล้วเอาปฏิปทาของพ่อแม่กุญจารย์พยูดเฉยๆจากนั้นนตัวเองไม่ปฏิบัติมันไม่ใช่นะลูกหลานนะอต่ในลูกหลวงพ่อไม่ได้สอนใครนะสอนพระลูกพระหลานที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยพระทั้งสี่สิบหกี่สิองเนี่ยให้ลูกหลานฟังเอาไว้นี่แหละยึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุก ถ้าทำออกนอกลูกนอกทางแล้อมีแต่ความเดือดร้อนบุนหวายนะลูกหลานะเอาตอนนีไปพระสงฆ์อนุโมทนารับพร